ว่ามีผิดพลาดมากและเล่าประวัติการสังคยนาพระไตรปิดก8ครั้งที่ล่วงมาแล้วเมื่อทรงทราบดังนี้จึงอารัธนาให้พระสงฆ์ดำเนินการสังคยนาชำระพระไตรปิดกซึ่งเลือกได้พระสงฆ์218รูปราชบัณฑิตอุบาสก32คนแต่ตามประกาศเทวดาว่าพระสงฆ์219รูปราชบัณฑิตอุบาสก30คน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 วิมานวัตถุเปตะวัตถุเทระคาถาเทรีคาถา2เล่ม27ชาดก3เล่ม28ชาดก4เล่ม32มบอปทาน 5. เล่มสาบสอปทานพุทธวงศ์จริยปิฎก 6. เล่ม41อนุโลมติกาปัฏฐานภาคสองและ7ปัจจ尼ยปัฏฐานอนุโลมปัจจ尼ยปัฏฐาน ปจณิยานุลมปัรฐานนอกจากนั้นยังได้เพิ่มเติมท้ายเล่ม44ที่ขาดหายไปครึ่งหนึ่งคืออนุลมติกกะติกกะปัรฐานและอนุลมทุกกะทุกกะปัรฐานให้สมบูรณ์ด้วยตามจำนวนดังกล่าวนี้เมื่อคิดเป็นเล่มจึงมีหนังสือขาดหายไปต้องพิมพ์เพิมเ่มเติมใหม่หมอีกเจ็ดเล่ม แต่เพราะเหตุที่ฉบับพิมพ์ในครั้งรัชการที่ห้าแยกคำภียมกแห่งอภิธรรมปีดกออกเป็นสามเล่มส่วนในการพิมพ์ครั้งหลังรวมเป็นเพียงสองเล่มจานวนเล่มที่ขาดหายจึงเป็นเพียงหกเล่มคือฉบับพิมพ์ในรัชการที่ห้ามีส9สเ้าเล่มฉบับพิมพ์ในรัชการที่เจ็ดมีสี่ิบห้าเล่มด้วยประการชนนี้